สงบภายนอกได้แก่สงบจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันสงบภายในได้แก่ใจสงบจากกิเลสบาปประมต่างๆอันนี้เป็นความสงบที่โลกทั้งหลายต้องการหรือในพระพุทธศาสนานี่ต้องการเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเรื่องของศาสนานี่เป็นเรื่องแห่งความสงบโดยตรงแหละเรื่องของโลกนั่นมันชอบความไม่สงบก็มีชอบความสงบก็มีไม่แน่นอนแต่ในทางพุทธศาสนาษแล้วมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งในฐานะเรา นับถือพระพุทธศาสนาก็ควรพากันเสวงหาความสงบให้แก่ตัวเองให้ได้แต่จึงสมกับว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจเพราะว่าใจนี้เมื่อมันปล่อยให้มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไป มันหาความสุขไม่ได้เลยถ้าหากว่าใจนี้มากำหนดละอารมณ์ภายนอกได้แล้วมันสงบนิ่งอยู่ภายในมันก็มีความสุขสบายเพราะเหตุว่ามันไม่มีกังวลเมื่อมันไ ม, ม่ไม่มีกังวลแล้วคนเราก็ไม่เป็นทุกข์ นั่นแหละอันมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะจิตดวงนี้แหละมันกังวลมันวุ่นวายมันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้คิดอยากให้มันชีวิตนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันคิด ดิ้นลนไปทางต่างๆนานานี่เมื่อจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยให้พึงพากันเข้าใจเรามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระ เ, เจ้าข้อที่ว่านสติสันติป ร, รังสุขขังแปลว่าทุกข์อื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี แสดงว่าความสุขก็มันมีอยู่สองประการในพระบาลีท่านก็กล่าวไว้อยู่อามิตรสุขหนึ่งนิรามิตรสุขหนึ่งเนี่ยอามิตร ส, สุขนั้นสุขชั่วคราวแปลว่าสุขอิงอาศัยอามิตรคือสิ่งของนิรามิตรสุขคือสุขไม่อิงอาศัยอามิตร อาศัยในยขมมะนั่นแหละทุก ส, สองประการนี้นยะประการแรกนั้นเป็นสุขชั่วคราวเมื่อได้เงินได้ทองมาก็เป็นสุขสบายใจดีเมื่อเงินทองหมดไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจนีนะ่ที่ว่าอามิตรสุขนายเพิ่งเข้าใจส่วน นิราเมศถนั้นถูกเกิดจากความสงบใจจากความรักความชังความหลงความเมาต่างๆมเมื่อกิเลสเหล่านี้สงบระงับไปจากกิตใจแล้วใจนี่ก็สงบลงได้ไม่ต้องไปอิงอาศัยสิ่งใดมันก็สงบอยู่ได้ ม, มันสงบอยู่โดยลําพังคือมันไม่มีห่วง มันหายห่วงแล้วนี่นะผู้ใดกระทำภายในใจของตนจึงรู้ได้ไอเรื่องมูนี้นะถ้าตนไม่ได้ทำภายในใจตัวเองให้สงบระ ง, งับลงไปก่อนมันรู้ไม่ได้มันไม่ค่อยเชื่อดังนั้นเนี่ยให้พึ่งทำใจของตนให้สงบลงไปให้ได้เราจะได้เห็นรสชาติแห่งความสงบนั้นว่า มันเป็นสุขขนาดไหนความสงบมันก็ต้องมีสองประเภทเหมือนกันสงบอยู่ด้วยวิขมพนะวิมุตคือสงบอยู่ด้วยอำนาจแห่งสมาธิฌานอันนี้ก็เป็นความสงบขั้นหนึ่ง อันเรียกว่าเป็นความสุขอันเกิดจากสมาธิความสงบใจนนอันหนึง่งความสุขอันเกิดจากการเจริญวิปัสนาพยายามอบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นแล้วปัญญานั่นมาสอนจิตให้รงให้วางขันธ์ทั้งห้านี่ อย่าไปถือว่าขันห้านี่เป็นตัวตนเราเขาปล่อยวางขันห้านี่เสียได้ใจก็รวมลงเป็นหนึ่งลงไปยิ่งได้รับความสุขยิ่งกว่าครั้งแรกอีกทรํานี่เพราะเหตุว่าจิตใจนี่มันมันละกิเลสอันเป็นเหตุท้ยึดมั่นถือมั่นในขันห่านี่ระงับไป เมื่อกิเลสเหล่านี้ระ ง, งับไปแม่ขันห้านี่มันจะมีบัตรแปรพวนไปอย่างไรจิตนี่ก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตาม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พากันแสวงหาความสุขด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาอันนี้ไปก่อน ถ้าหากว่าอินทร์บารมีแก่กล้าก็จะได้บรรลุถึงโลกุตระสุขแปลว่าสุขเหนือโลกอันนี้สุขชนิดนี้ไม่ได้เจืออยู่ในโลกนี้นั่นแหละท่านเรียกท่านจึงเรียกว่าโลกุตระสุขนั่นแหละแปลว่าสุขอยู่เหนือโลกก็หมายเอาจิตใจของคนเรานี่เองแหละ รงขันห้าวางขันห้าลงไปแล้วจิตมันก็สงบอยู่โดยลำพังไม่ได้อาศัยขันห้านี่เรียกว่าขันห้านี่เป็นโลกเป็นโลกที่อาศัยของดวงจิตอะนนั้นเมื่อจิตปรงวางลงไปด้วยปัญญาแล้วไม่ถือมันว่าขันห้าเป็นเราเป็นของของเราละใจมันรวมลงบัดนี้ก็ไม่ ยินดีนยินรายต่อขันห้านี้นั่นแหละมันก็มีอิทธร ะ, ะอยู่ในตัวเลยบยนันนะี้จิตนะเพราะว่ามันไม่ได้อิงอาศัยขันห้านี่หากว่าอบรมมากๆเข้าไปก็สามารถที่จะมาละสังโยชน์สามเบื้องต้นนี้ให้ขาดไปได้ สำหรับผู้มีอินทรียังอ่อนอยู่มันก็ละสังโยชนี้ไปเป็นขั้นๆไปก่อนท่านผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วท่านละสังโยชน์ลวดเดียวตลอดถึงอรหัตตะผลเลย อ, อย่างนี้แหละการทำความเพียรของคนเรานะมันยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันท่านผู้ละสังโยชน์ได้ขาดลวดเดียวตลอด ถึงพระรหัสตะผลเลยนั่นหมายความว่าเศรษติก่อนนูน่นท่านอบรมอินทร์บารมีให้แกกล้ามาแล้วเรียกว่าจะใกล้ๆเต็มนลยยังหน่อยเดียวหนึ่งอพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของอุเทนเจ้ากันเดียวเท่านั้นแหละก็ได้บรรลุไปเลยนี่เป็นอย่างนั้นอันบรรดา โลกุตระธรรมทั้งหลายบุคคลผู้ที่จะได้บรรลุก็ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกษาตรน์นู่นเ่ยมันมารวมกำลังกันเข้าในเมื่อเราเจริญสมาธิปัญญาไปบรรดากุศลธรรมที่เราได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนู่นมันก็มารวมกันได้เลย มันก็ไหลหลั่งเข้ามาสู่จิตอันเป็นปัจจุบันเนี่ยที่มันสงบอยู่ในปัจจุบันนี้นะนี่เนี่ยมันเป็นเครื่องดึงดูดเอาบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆเข้ามาไว้ในจิตดวงเดียวนี้เลยอย่าไปเข้าใจว่าบุญกุศลที่เราทำมานั้นมันจะสูญหายไป โดยที่เรายังพอใจมันอยู่ยังเลื่อมใสอยู่นี่ไม่ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นบุญกุศลบุญกุศลจะเสื่อมไปก็ต่อเมื่อเราเบื่อหนายนูย่นน่ะเมื่อเราเบื่อหนายบุญกุศลนี่ตราบใดใจไม่เยื่อใยอะไรไม่น้อมนึกถึง นานไปก็เสื่อมไปเสื่อมไปก็หมดไปบุญกุศลนี่นะเพราะเหตุว่าใจไม่สักไฟกับมันนะใจไม่ชอบบุญพอยง่ายดังนั้นนะทุกคนขอให้ทำความพอใจในบุญกุศลธรรมดาผู้ที่มีอินทรียังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็ต้อง เป็นอย่างนั้นแหละก็ต้องทำความพอใจในบุญกุศลไว้ให้มากโดยมาสอนใจของตอนเสมอเสมอไปว่าเราจะได้รับความสุขในขั้นใดๆดก็เพราะอาศัยบุญกุศลนี่เองไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นเลย บุญกุศลเท่านั้นแหละจากอำนวยความสุขให้ <c oughs> นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอำนวยความสุขความสงบความเย็นใจให้ให้พึ่งทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้ให้แน่นอนในใจแต่ความสุขในที่นี้หมายเอาความสุข อันเกิดจากความสงบของดวงจิตนี้ต่างหากไม่ได้หมายเอาความสุขที่อิงอาศัยสิ่งของดังกล่าวมานั้นก็อันนั้นเป็นความสุขชั่วคราวหนึ่งสําหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันจะไม่ยินดีอยู่ในความสงบอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นเลย เมื่อมันมองเห็นความสุขอันไัยบุ์อันเกิดจากความสงบใจเกิดจากปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในนามในรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพถ้าปล่อยวางขันห้านี้ลงได้จริงจิตใจมันก็รวมลงไปได้อยู่ได้นานนี่แหละความสุขอย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านต้องการ กรงกันข้ามปันจุปาดานักท่านธาดุฆ่า<น>ความเข้าไปยึดขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นเป็นทุกข์อันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์รวบยอด<น>บรรดาทุกข์ทั้งหลายมันก็มารวมอยู่ที่ใจยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละมันมารวมกันอยู่นี่หมดเลย โครงการข้ามความสุขอันสุดยอดมันก็มารวมอยู่ที่จิตใจปล่อยวางขันห้าตามสภาพไว้ไม่ได้หลงไหลถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเลยอันนี้เป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวอถึงแม้จะปล่อยวางได้ชั่วคราวก็ยังนับว่าเป็นสุขอัน มีรสชาติอร่อยมากทีเดียวทีแรกนี่มันก็ต้องปลงวางไปได้ชั่วคราวไปก่อนแหละเมื่ออินทรีย์ยังไม่แข็งกล้านะแต่ว่าเราต้องฝึกนี้ฝึกให้มันปล่อยมันวางนะจิตนี้่ยมันจึงวางได้นะถ้าไม่ฝึกไม่ใช้ปัญญาสอนจิตนี้แล้วมันจะไม่ยอมวางเลย มันจักถือมั่นไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนอยู่อย่างนั้นแหละต้องพยายามเจริญปัญญาเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วนะ ม, มีสติประคองกิจที่สงบนั้นไว้ให้มั่นคงแล้วก็ค้นคว้าแล้ววันนี้นะต้องการอยากรู้สิ่งใด ก็กำหนดเรื่องนั่นมาพิจารณาอย่างนี้แหละเช่นอย่างว่าทุกนั่นเข้าใจแล้วที่ว่าเกิดจากความยึดมั่นถึงมั่นในขันห้าว่เป็นตัวเป็นตนน่ะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วต้องการอยากแกรู้จักสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกนั่นน่ะคืออะไรท่านก็กล่าวว่าสัณหานนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุก ทำไมตัญหามันจึงเป็นเดชให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะตั้งปัญหาถามตัวเองอ่ตัวเองจะตอบตนเองว่าอย่างไรอ่ะนั่นแหละเมื่อหากว่าปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาพอสมควรมันก็จะตอบตัวเองได้เลยว่าปัญหาแปลว่าความอยากมันมีอวิชชาเป็นเพื่อนสอง เมื่อความอยากคนท่วมท้นจิตใจยอยู่เนี่ยความอยากจิตใจนี่ก็บังคับให้กายทำให้วาจาพูดเมื่อต้องการสิ่งใดมันก็ไปแสวงหาสิ่งนั้นด้วยทางกายบ้างด้วยทางวาจาบ้างเมื่อแสวงหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้นะออกมาันี่ก็เกิดความคิดเป็นอกุศลขึ้นมา เราไปแสวงหาในทางทุจริตอันเป็นบาปเป็นเวรใส่ตัวเองอันนี้นะนี่แหละท่านเรียกว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะถ้าหากว่าตัณหานี่มันอยากแต่พอประมาณอยากอยู่ในขอบเขตแห่งศิลแห่งธรรมประพฤติการงานทำธุรกิจการงานอะไรไป ก็ทาอยู่ในกรอบแห่งสินทมไม่ล่วงสินล่วงทมอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าพยายามควบคุมความอยากให้มันอยู่ในกรอบแห่งสินเลงทมแล้วมันก็ไม่มีบาสเช่นทานาทาสวนทาการค้าขายทําราชการงานเมืองทาการช่างต่างต่า ง, างหมดเนี่ย เมื่อเรายึดศีนยึดธรรมเป็นหลักเครื่องดำเนินแล้วมันก็นัะแสนสบายก็ภายในจิตใจนั่นแหละจะไม่เป็นทุกข์มากเพราะว่าเราสามารถห้ามความอยากไว้ได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ให้พากันจเจริญปัญญาวิปัสสนา ร้อนใจให้มันอยากในสิ่งที่ควรอยากที่ไม่มีโทษดังกล่าวมานั่นนะอย่าให้อย่าปล่อยให้จิตมันอยากเล่นอ่าอย่าปล่อยให้จิตมันอยากเกินขอบเขตไปลำ่ำล่ำเส้นเขตไปดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็พอมีความสุขอยู่ได้ ทั้งเป็นนิสัยเป็นปัจจัยที่จะทำให้อินทรบารมีแก่กล้าแล้วก็ได้วิมุตต์คือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายไปได้นี่ก็เพราะอาศัยที่ว่าเรามุ่งหน้าต่อความสงบใจเป็นที่ตั้ง แล้วก็ควบคุมจิตใจนี่ให้มันมีความอยากอะไรต่ออะไรในโลกนี้พอประมาณอย่าให้มันเกินขอบเขตถ้ามันเกินขอบเขตแล้วมันก็ไปทำบาปแหละ ย, ยกตัวอย่างเช่นผู้อยากอาหารมากเกินขอบเขตอย่างนี้นะอาหารไม่ถูกปากไม่เอาอย่างนี้มันก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นแหละ มาทำอาหารกินกันบาปก็ยอมบาปแล้วก<อ>็เพราะมันความอยากมันท่วมหัวใจมากไม่ไม่ถือสันโดษสันทุธธตถีตามมีตามได้เมื่อตนแสวงหาโดยทางชอบสินชอบธรรมได้อาหารการกินมาจะเป็นไม่ใช่อย่างประนีตไม่ใช่มีรสชาติอร่อยมากก็ตาม ก็ยินดีบริโภคตามนั้นเลยตามที่แสวงหามาได้จะมีรถพอประมาณหรือจะไม่มีรถหรือจะมีรถเลิศอะไรก็ตามแหละเนี่ยว่าเราได้มาอย่างไดเราก็ทำความพอใจบริโภคไปอย่างนั้นนี่มันก็จะเป็นเหตุไม่ให้ล่วงสินข้อที่สองหรือว่าไปลักไปช่อไปโกงไปจี้ไปป้น เอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตน อ, อย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นผู้ถือสันโดษอีกอย่างหนึง่งก็เมื่อถือสันโดษอย่างนี้มันก็ต้องสันโดษไปถึงตลอดถึงเมียตลอดถึงผัวผู้หญิงได้ขัวมาก็สันโดษยินดีด้วยสามีของตนนั้น ในทางประเวณีฝ่ายชายก็มีความสันโดษยินดีรักใคร่อยู่แต่ในภรรยาของตนนั้นไม่ให้ความรักของใครนี่มันลามปามไปทั่วในหญิงอื่นอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสันโดษท่านเรียกว่าสรธารสันโดษถือสันโดษในสามีในภรรยาของตนของตน อีกอหนึ่งก็เป็นผู้สันโดษในความในคำพูดเรียกว่าจำกัดอยู่ในคำพูดลักษณะสี่ประการคือหนึ่งพูดแต่คำจริงไม่พูดคำเท็จเรื่องใดจริงยังพูดถ้าไม่ได้เห็นโดยตาไม่ได้ ยินด้วยหูไม่ได้พิจารณาด้วยใจให้ท่องแท้โดยเหตุผลแล้วเรื่องใดๆเกิดขึ้นมาก็จักไม่เชื่อง่ายๆเนื้อจักไม่รีบเอาเรื่องเช่นนั้นไปโฆษณาให้ใครต่อใครได้รู้เพราะเรื่องมันยังไม่จริงอย่างนี้นะเราก็อย่าไม่อย่าไปยืนยันให้คนอื่นทราบต่อเมื่อตาเราได้เห็นหูเราได้ยินแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอมาปรากฏ ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้ก็เมื่อมีหลักฐานพยานอย่างนั้นก็จะไปยืนยันต่อคนอื่นเนี่ยเรีว่าเป็นผู้สังวรระวังในความถัดความจริงไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นเขาแตกกร้างสามัคคีกันพูดแต่คาอ่อนคาหวาน เป็นคำสมานไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันและกันอย่างนี้แล้วก็พูดคำอ่อนน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนไม่พูดคำหยาบคายร้กาศอันเป็นที่สแสรงใจของคนทั้งหลายแล้วก็พยายามสังวรวาจาคำพูดให้รู้จักประมาณพอดีพอดีอย่าไปพูดมากปากหลายเกินประมาณ พูดมากไปเท่าไรเรื่องเหลวไหลไปเท่านั้นโกหกไปเท่านั้นคนพูดมากนี่นะมันไม่ยืนตัวอยู่ได้ดอกเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากพูดมากคนเราน่ะมันเสียหายหมายเอาพูดเรื่องที่ไม่เป็นสาระแกนสารนั่นแหละแม่พูดในเรื่องศีลธรรมก็เหมือนกันถ้าพูดมากเกินขอบเขตแล้วมันมีทางขึ้น คลาดไปได้เหมือนกันแหละคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันเนะี่ยพลาดเคลื่อนจากเหตุผลจากความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินอยู่ในทางสายกลางอย่างนี้แหละลักษณะแห่งคําพูดนี้นะและวันนี้ก็พยายามละความอยาก ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบุหรี่ของเสพติดใจโทษต่างๆพวกนี้นะก็อย่าอย่าให้มันอยากไปหมายความอย่างนั้นจิตเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีปัญญาสอนจิตให้เห็นโทษแห่งการกระทำความชั่วห้าประการนี้ให้ได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมความอยาก ไม่ให้ล่วงสินล่วงทรรมดังกล่าวมานี้ให้มันตั้งอยู่ในศรัทธาสันโดษถือสันตถีตามมีตามได้เมื่อเราแสวงห า, นะ เ, าเข้าของเงินทองตลอดถึงอาหารการกินได้มาโดยทางชอบโดยสินโดยธรรมอย่างไรเราก็ยินดีบริโภคใจสอยอยู่เท่านั้นไม่ยินดีที่จะแสวงหา เรียกชีพโดยทางผิดศีลผิดธรรมดังกล่าวมานั้นถ้าหากว่าเราควบคุมตัญหาความอยากให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมได้อย่างนี้มันก็ไม่ถึงก็ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่นี่หมายความว่าอย่างนั้นถึงแม้มันจะเกิดอีกก็เลยว่าเกิดดี คนเราเมื่อไม่ทำกรรมทำเวทใส่ตัวเองดังกล่าวมาแล้วนั้นผู้ใดอดต่อความอยากต่างๆได้ความอยากอันใดจะเป็นไปเพื่อบาเพื่อโทษอดได้ทนได้ละไดะ้ผู้นั้นก็มีสุขติเป็นที่ไปอย่างนี้นะคำว่าเจริญปัญญานะ่ะก็มาคิดใครควรสิ่งใดที่ ตนคิดว่าตนยังละไม่ได้และตนยังไม่ได้อธิษฐานใจละเลยอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจให้มันเห็นโทษแห่งความไม่สํารวมในโทษทั้งหลายดังกล่าวมานั้นว่าเมื่อไม่สํารวมในโทษทั้งหลายนั้นมันก็เป็นทุกข์แหละเพราะว่าเมื่อไม่สํารวมแล้วมันก็ไปทําตามอำนาจแห่งความอยากที่มันบงการเน่ะเช่นนั้นเน่ะเมื่อมันทําลงไปแล้ว เวลามันอำนวยผลให้มันก็ต้องให้ทุกนั่นแหละเป็นผลนะ่ะบุคคลทำบาปแล้วจะไปให้ผลเป็นสุขแล้วไม่มีหรอกสายใครสายมันนะ่ะบุคคลทำบาปมันก็ต้องมีทุกเป็นผลบุคคลทำบุญกุศลมันก็ต้องมีความสุขเป็นผลมันก็เป็นสายของใครของมันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนะี่ยการเจริญปัญญาวิปัสสนานี่เนะี่ย ก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์นี่เป็นขั้นต้นเลยทีเดียวขั้นที่สอนต่อไปก็เพื่อให้รู้แจ้งในขันหานี่ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของขันหานี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาจึงเป็น สิ่งที่ควรปล่อยคนวางไม่ควรยึดคนถือเอาไว้นี่ปัญญาขั้นทีน่สองต่อไปนะก็มาสอนจิตให้ปล่อยให้วางขันห้านี้อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญปัญญาวิปัสนาคือวิปัสนานี่แปลว่ารู้แจ้งพร้อมทั้งเหตุทั้งผลมายืนยันเลย เช่นอย่างขันห้าอย่างนี้นะมันไม่เที่ยงนะก็มีอะไรเป็นหลักฐานพยานนะก็มีคนที่เขาตายไปก่อนแล้วนั่นแหละเป็นสักขีพยานนะอย่างจงจงแจ้งเลยทีเดียวนั่นแหละให้พึ่งเข้าใจขันห้านี่มันเป็นทุกข์ก็ดังที่เรารู้กันอยู่ mm. เห็นกันอยู่นี่แหละ ขันธ์ห้านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรามันก็บังคับไม่ได้ไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ไม่ฟังอย่างนี้นะนี่เรามาเจริญพิจารณาสอนใจตัวเองให้รู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วปล่อยวางอย่าไปถือมั่นไว้ด้วยอำนาจแทงอุปาทานอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัตนา แล้วในขั้นต่อไปนั้นเมื่อเราเจริญวิปัสสนาถึงสังขารุเปขายานนู่นต่อจากนั้นก็จะได้บรรลุโคตรระพยาน